บทที่สี่สิบแปดนาแเยนมดีกิจกรรมระหว่างการพักร้อนเซลเลล์ลูกาเรกัลลาปาลูหาดทรายสะอาดไหมสมุทรเิรยมปริสบังกาอุนดาเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม อก า, าอกาเยรินะยีตกวดแต่จ้ะเล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรืออากดศยีตะกวดแต่ดำประมาทกเกดขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะอีกอะกระกดูกกับกอดูกูปาร์ต d โอลอัดเด็กตีสกอวัจขอเช่าเตียงผ้าใบาที่นี่ได้ไหมคะอีกอะ ก, ะกระดูกกับเด็กกูร์ชีอัดเด็กตีสกอวั ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะอีกกระดักันนาวันนี้อดเดกกติสกอบะจะดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่นนากู surfing เฉ ย, ยาลเลยนบุนดีดิฉันอยากดำน้ำนากูได v i n g เฉ ย, ยาลเลยนบุนดีดิฉันอยากเล่นสกี น, น้ำนากู w a บ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Surfboard อัดเด็กกันได้หรือกต้นด้อขอเช่า อ, อุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ Diving Crescent กบยกปะเรียบไปเรียบร้อยอัดเด็กกันได้หรือกตายะขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ Water Skiing อัดเด็กกันได้หรกตายะดิฉันเพิ่งเริ่มหัด นน เ, เนื้อหนูแค่บอลมเนื้อชิคกูเนี่ยสไตล์เลยวุนนว่นดิฉันพอเล่นได้เนื้อหนูบอกกับมาดริกามันชิคก้าเชสซ์วุ่นนวาร ด, ดิฉันเล่นได้ดีมากอินเดลูนากูมันชิเนื้อปูนดีสกีลิฟอยู่ที่ไหนสกีลิฟต์แยกกันวุ่ดีคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า มีวัดดาสกีหรือวุ่นไนยะคุณมีรองเท้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหมมีวัดดาสกีบโบ้ตหรือวุ่นไนยะ